แง่ความหมายที่ช่วยให้เข้าใจตัณหาและฉันทะชัดยิ่งขึ้นแง่ที่หนึ่งการไม่กระทำอาจเป็นการกระทำอย่างแรงเมื่อมองว่าการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งแห่งชีวิตของคนสัตว์ดังที่กล่าวแล้วว่า คนสัตว์ก็เคลื่อนไหวไปตามความรู้ซึ่งอาจจะเป็นความรู้เพียงขั้นตอบสนองอารมณ์ที่รับรู้คือสิ่งเราหรือความรู้ขั้นปัญญาที่กำหนดได้ว่าควรหรือไม่ควรก็ได้เมื่อถือว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการกระทาจะเห็นว่ามีกรณีมากมายที่ตามปกติคนสัตว์จะเคลื่อนไหวหรือกระทาแต่กลับหยุดคือไม่เคลื่อนไหว หรือช ง, งักการกระทำเสียในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าการหยุดการเฉยนิ่งหรือการไม่กระทำก็คือการกระทำอย่างหนึ่งนั่นเองและเป็นการกระทำอย่างแรงเสด้วยดังจะได้เห็นต่อไปว่าตัณหาเป็นเหตุให้กระทำการที่เป็นเงื่อนไขเพื่อได้สิ่งเสพสเวยหรือปกป้องรักษาความมั่นคงถาวรของอัตตาที่ยึดถือไว้คาว่ากระทาในที่นี้ จะต้องรวมถึงการไม่กระทำด้วยการที่ตัณหาจะทำให้กระทำการไม่กระทำอาจมีได้ตั้งหลายอย่างเช่นไม่กระทำเพราะถ้ากระทำก็จะเป็นเหตุให้ตนพรากจากสุขเวทนาที่กำลังเสพอยู่หรือเพราะการเคลื่อนไหวไปกระทำการนั้นจะเป็นเหตุให้ตนยากลำบากประสบทุกขเวทนา บางทีแม้แต่เมื่อการกระทำนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นผลดีแท้จริงแก่ชีวิตแต่ตัณหากลัวความยากกลัวความพลาดจากสุขที่กำลังสวยอยู่ก็ชักจูงให้ไม่กระทำครั้นมนุษย์พัฒนาปัญญาขึ้นมาแล้วและสามารถกระตุ้นชันทะขึ้นมาเป็นแรงจูงการกระทำได้มากขึ้นเมื่อรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดเป็นประโยชน์มีคุณค่าแท้จริงมนุษย์ก็กระทาการนั้นได้ ทั้งที่เมื่อกระทาจะต้องประสบทุกขเวทนาและฝ่าฝืนตัณหาที่จะไม่ให้กระทาบางคราวตัณหาเห็นว่าจะได้สุขเวทนาจะให้กระทำแต่ปัญญาเห็นว่าทําแล้วจะเสียคุณภาพชีวิตกลับไม่ยอมให้กระทำก็มีการที่มนุษย์มีปัญญามากขึ้นแต่ตัณหายังคงอยู่ก็พลอยทําให้ตัณหาละเอียดอ่อนขึ้นด้วย และต่างก็คอยเข้าแทรกซ้อนและอาศัยประโยชน์จากกันและกันพฤติกรรมของมนุษย์ผู้มีปัญญาจึงมีความซับซ้อนหลายชั้นเชิงกว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นข้อสำคัญอยู่ที่ว่าตันหากับปัญญาใครจะเหนือใครคือตันหาเป็นฝ่ายครอบงำหรือปัญญาเป็นฝ่ายควบคุมถ้าหมันใช้โยนิโสมนสิการปัญญาก็คุมได้ และปัญญาจะคมกล้ามากขึ้นเรื่อยๆพาชันทะเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนวิถีชีวิตมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งตันหาเลิกราหมดไปถ้ามองอย่างที่ว่ามานี้ก็จะเห็นว่าเมื่อยกเอาตันหาซึ่งเป็นตัวกำกับการกระทํารวมทั้งการไม่กระทําซึ่งเป็นการกระทําชั้นนอกออกไปเสียตัวหนึ่งแล้วการเคลื่อนไหวหรือการกระทาก็ยังคงดาเนินต่อไป แถมดีขึ้นอีกด้วยส่วนบทบาทบางอย่างที่เคยต้องอาศัยตันหาคอยบวงการเพื่อปกป้องรักษาอัตตาก็เปลี่ยนมาใช้ปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเพียงพอแล้วช่วยบอกนำเพื่อความมีชีวิตที่ดีงามแทนจึงเป็นการพ้นจากอำนาจครอบงำของตัญหาเปลี่ยนมาเป็นอยู่ด้วยปัญญาที่พาชันทะเข้ามาแทน